รู้ไหมไม่มีเลยเด้คนที่ไปพระที่อยู่ปริวิาสตกรรมต้องมีพระบริสุดเป็นคนดูแลให้เป็นคนสอบสวนทวนถามให้จะเป็นปรเรียนนร้ไม่แต่เ ป, ปรเรียนไม่สำคัญดูแลให้ตามกฎเก็นเท่านั้นเหมือนยกหม่สมัยนี้ย่างแล้วเนี่ยเปองเนี้ย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 เตือนตัวอยู่เสม อ, ค, อ ค, คืออะไรคืออะไตัวสติเข้าใจไหมเนี่ยนี่พูดให้เข้าใจนะเดี๋ยวจะไปพูดไม่รู้เรื่องอีกสติกับสามัญญาเป็นเพื่อนที่ถูกต้องและแน่นอนเป็นพิธีกรเตือนเราอยู่ตลอดเวลาตอนนี้ทำอะไรตอนนี้ทาอะไรสติมันบอกสามัญญาบอกให้รู้ว่าควรไม่ควรกาละเทศะ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 แล้วก็พระที่เป็นปฏิบัติเดินขวาย่างหนอใช้ ย, ย่างหนอมานั่งหนอชํารวมหนอองวอนหนอระหวางหนอแล้วก็ปฏิสังขาโยนโยบินปาต่างไม่เฉวมีปฏิบัติอย่างนี้ไม่ต้องปริพ่อกังวลไม่ต้องกังวลอะไรเอยทั้งสิ้นพระพวกนี้จะได้เอาอาหารมาเลี้ยงเสร็จแล้วไปเลยไปเข้าป่าเดินจงกรม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 ทายก็อย่างเงี้ยแล้วฉันเวลาเดียวเหมือนอยา่างพระอินเนี่ยสู้เทว ด, ดาไม่ได้รัศมีสวยกว่าพระอินก็ทราบมีน้อยใจยว่าเรานี่ทั้งอาไปย เ, เามาเห็สีไม่มีรัศมีเขาเลยสู้เทว ด, ดาหมูนี้ไม่ได้เทว ด, ดานี่มีรัศมีสวยกว่าเราไม่มีรัศมีแต่เรามีบุญไปพระอินมีบุญไปพระอินได้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 เป็นพระภิกษุเนี่ยไม่เคยทําบุญไม่เคยช่วยใครก็เป็นพระธรรมดาไม่มีการสําเร็จอะไรทั้งหมดเป็นแต่พระอย่างนี้ตลอดไปไม่มีการให้ใครเลยเหอรอนิสุแปลว่าอะไรแรว่าปฏิฆาหุรักทานพุงทายกเท่านั้นไม่เป็นทานยกเลยเหอรอนิสุอย่างนี้เป็นทานยกได้สามารถให้ช่วยย่าแต่ไม่ทําจึงมีแค่นี้เองเพราะพระภิกษุ จนรวยเหมือนกันไม่ได้บางองค์รวยจังเลยบางองค์ไม่มีอะไรเลยนะชาก็ไม่มีจะฉันทําไมชาไม่มีฉันก็ราท่าไม่เคยชงชาให้ใครกินเลยพระชายแดนปปเป็นปริยนเจริประโยคน์มาองนี้บรารมีพ่อวัดผมมีบ้านสี่ล้อยข้างคาเลยชาก็ไม่มีจะ ก, กินโทุกก็มีบูชาพระถามว่าท่านเคยสวดมนต์ไหา้พรไมไม่เคยพระมีสามองค์ถึงไม่มีทูก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 แล้วก็ขอให้ท่านสามองสวดมนต์ไว้พระในโบสถ์ทุบเทียนไม่มีไม่เป็นไรเราให้ทุบไปเยอะหมดเอาไปจุดรับรองจุดแรงเงินและนองทองไลยมาพระก็อยากรวยแพนน า, บา ย, ย, นยบายเราคนโชคลายเลยพระก็ไปสวดโวก์ว่าสวด ก, กันใหญ่เลยโยมก็โอ้พระขา ย, ายันสวดด้วยเมื่อก่อนขี้เกียจจังเลยซื้อทุบเทียนมาให้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 ไม่รูเ้เหลือก็ตามใจไม่รู้ไม่เป็นไรยอมดูใครฟังอ่ะพระบององไม่ห่เราเนี่ยไปฮะแม่คุณด้วยตะมารว ย, ยเพื่ออะไรเอาหนมเปียไปถวายนางฟ้านางสวรรค์ที่ศูนย์เวลุ่งวันทุกครั้งแหมไปถวายนางฟ้านางสวรรค์เอานมเปียไปถวาย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 เราบอกไม่เอาท่านบอกว่าอย่ายิงจ้องหอง้องแมลงปอผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ให้เอาไว้ก่อนเป็นที่เิียใจมากไปสอนเด็กลูกหลานผู้ใหญ่ให้ไว้ก่อนผู้ใหญ่เขารู้ดีถ้าเราไม่เรียนมานาะท่านรัตมนทีหมดโอกาสที่จะไปพบหลวงพ่อในป่าไปพบหลวงพ่อในป่าเพราะเราเรียนวิชาภูธฉามถ้าเราไม่ได้วิชานี้เครื่องบินตกที่ยุโร วิชานี้กคือวิชาเพ่งกรสินเพ่งกระสินหน้าถึงะจะเรียนวิชานี้ได้แต่เพ่งกระสินนี้ไม่ได้เรียนวิชานี้ไม่ได้เี่ยรู้ไม่ใช่วาสบาแบบถามบอกครูกหลานเนี่ยต้องเรียนทุกอย่างเลยนะแต่เราไม่เรียนวิชาเพ่งกสินกับลงพเดินวิชาคาุณศรเรียนไม่ได้เพราะว่าช้างเนี่ยมันพูดได้และหูมันทิพย์อย่างไรแผ่เมตตาให้ช้างอย่างไร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 สองคนในบ้านเนี่ยต้องมีงหลักสองวัธรรทธท ร, ร, ร, ร, รมัปรปการทานทานการให้อยู่หน้าบา้านมียาชยาใสมีสัยท้ายกว้างไกลให้ทานจุดที่สองปิยาวาจาพูดจริงทำจริงพูดจาอ่อนหวานอยู่หลังบ้าน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 ใช้ได้เลยนนี่ถามพระที่เจิมม่ว่าไงวันหน้าจะมาไปเจิมให้แขกอิสลามลูกสาวดัดผมที่สีแยกบันแขกมีมนชันเพลงองเดียวแล้วหลวงอาตาลปาดไปอย่างอีนังนว่าต้องไปสวดมนต์กับเจ้าคุณกรุงเทพ้วต้องอัตบาบัดสวยๆเข้าไปมีองค์เดียวถามบอกพระมาเลยามามีมนองค์เดียวค่ะ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 เพราะตำลาของเราถ้าใครรับสินนะมีสติท่าประทัญญาดีจะเจอให้รวยก็โอ้โหมายางพันเตวิสุขแขกคนไทยมายางไม่เป็นมายางพันเตเตเตเ็เตเตเตเาเตเตเตเตเตเตเตเมเตเตเตญตเตเตเตเตเตเตเตเตเตเตเตเตีตเตเตเตเตเตเตเตเตเตเตเตเตเตเตเตเตเตอตเตกตเดเตเตเต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 เป็นการเหนี่ยวล่างดึงใจประชาชทนเข้าล้านหลักสามฉีนสมาธิปัญญาอันนี้มาตอธิบายลัตษสถานสองสติสมัมปชัญญะหนึ่งคือไม่ประมาทมีเหตุแห่ ง, งความไม่ประมาทที่บ็ดข้อฝรั่งเข้าใจเลยโดดกรอดเลยฝรั่งเอาบุรีมาให้เป็นกล่องเลยบุรีนอกเราก็ไม่ฉุก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 แป็นเจ้าแม่นี่พผู้เจ้ามีเหตุผลเท่งนั้น เ, เลยก็พระเอามาเจอเลยเขียนยันซะเต็มรถ ห, หน้าตี่จะตายแล้วก็ไอ้คนขับก็เอาเลยมาแขวนนู้ก็ดีก็เดินเลยแขวนนี่ปลิวกปลา่านะพอรถไปกระแทกเนีอยกากล้า ว, าวข้อดีมันกันเนี่ยเพื่อเตือนสติไอ้คนขับไม่ให้หลับมันถูกเหรอะ ล้วขอฝาพวกสูงเราไปด้วยนะเวลาจะไปตามบ้านไปสวดมนต์เนี่ยแล้วก็เราอยาเป็นหัวหน้าเขายกขันน้ำมนต์ไปจะพรมคนที่กำลังกินข้าวบางเน้ออ ย, ยา่างเขาอยากพรมมาหาพราสิพระเสือกออกไปเขาจะกินข้าวแล้วไปเสีบพ ร, ร ม, ม, นมน้ำมนต์ถ้าเดือาแล้วเสือกพ ร, ร ม, มน้ำมนต์จะมากแล้วมั้งองนี่นไม่อมเอานะสมเด็จพระสังฆราชท่านบอกเลยวาลดราชบุรีพิทบร อ, อย่าไปพรมให้มั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 อญญาศูนย์จะทำอะ่าให้มันโง่พอเดี๋ยวนี้พระก็เหอเหิม อ, อยากจะพรมน้ำมนต์อย่างงั้นอยากจะลุนั่งอะทองอย่างงั้นต้องให้ห้าแสนเลยพระยิง่งอาจจะศูนย์มีาวเราก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะมีพรมน้ำมนต์ที่บ้านใครก็มั่งไปนิมไปพรมที่บ้านที่พาพอตั้งแต่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 เราได้ตำนานของเราเป็นวิทยานิพนธ์พืติในสอนคนอุนโทน ร, รุ่นเหนืองได้รู้ไปไม่รู้มารู้กินไม่รู้ทำอันนี้ชาติแล้วแต่คนเราไม่สนใจในเรื่องนี้ก็ไม่เป็นไรนะเพราะฉะนั้นตั้งแต่สมัยผู้จการมาเนี่ยสอนอย่างการเจอเนี่ยไม่ใช่ เ, เรื่องเลวหลายท่านสอนว่าที่หน้าต่างเจ้าของบ้านลูกเกิมาเนี่ยจะเห็นธรรมะทันที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 พอจะถวายพระต้องรับสีให้สะอาดแล้วค่อยถวายทานแต่โดยวิธีปฏิบัติแล้วก็ทานสีนภาวนาทานศีนภาวนาทานก่อนเสมอเท่าไรเราตั้งใจจะถวายทานก็ได้บุญแล้วคือไปซื้อของมาได้แลห้าส0ซแต่เรารับสีนล้วถวายก็ได้อีกห้าสิบเปอร์็น1 0เป็นร้ยปอร์ซขึ้นเนี่ยอันนี้สำคัญมากบางคนไม่รู้เลยนะไม่เข้าใจ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 เลยวซ้ายแลวขวาคู่เหยียดเอวขาสอตรงนี้ก่อนคู่อย่างนี้คู่อย่างนี้ยังเหยียดและเอดขาเดินเนินนั่งนอนเหลียวซ้ายแลขวาคู่เหยียดเอวขาสามสี่สิบสองเอาตรงนี้ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวฉับสมเราเอาตรงนี้นได้จะทําไงเริ่มสอน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 ลิงลานลิงโลดเพลงลิงโลดเพลงลิงลานเพลงฮันุมานหน้า พ, พับพลางเรามาผ้าปฏิบัตินี้ต้องการอะไรลิงขาวลิงดำออกมาท่านรับมนติวิลละออกแขกขึน้นมาโขนต้องมีลิงขาวลิงดำหนังตะลุ่งหนังตะลุ่งออกแขกโขนมีเคี่ยนหนึ่ง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 ไม่ใช่เรื่องโกหกเรื่องเลวไหลพระเหลอีบอกว่าไอ้ิงยกันไอ้ลิงขาวไปไหนไปชิดบุรพาไอ้ลิงดำตกไปชไอ้ลิงดำไปทางตะวันตกไอ้ลิงขาวไปชิดบุรพาพระเหลอีก็เสด็จเข้ายบรรณศาลาตี้าเสมอโขนออกเล่นให อย่าพูดอย่างนี้ไม่มีใครรู้เลยแต่ท่านรัสมนีวิระอยู่ภาคใต้อยาจจะรู้บ้าหนังตะลุงแล้วอย่างไอลิงขาวก็คืออยฉุดไอลิงดำคือไอใจดำอมหิทธิเยี่ยมโหดถาลุงดูร่าคาซาตัวเป็นจำตายลิงดำก็คือใจเราดำไอลิงขาวคืออยฉุดแล้วออกบางทชัดเจนมากขอฝากเด้วยไอลามาสูนข้างขว า, ขวามันแบบแบบเห็นไม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 ยี่สิบต่อครูหนึ่งยี่สิบคนต่อครูหนึคนรับรองสวยเลยนักเรียนร้อยหนึง่งครูต้องห้าคนคมอยู่แน่แล้วก็ครูคนนี้เอาตรงนี้ครูคนนี้เอาตรงนี้ไปห้องน้ำมั่งท่าต้องเรียบร้อยคมไม่ใช่อยู่ทั่วคราวครับวิทยากรก็เบาใจในการสอนแล้วครูนั่งควบคุมม่ได้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 มีโมงเราบ่ายโมงคึ่งเราไปอุตสาหไปบ่ายสองโมงยังไม่ตื่นเลยนอนกันไปแถวเต็มสลาหมดพอเราไปหน้าโยมลุกเถอะวิทยากรมาแล้วขอหนึ่งบอกมาแล้วก็นางคอยไปก่อนออให้วิทยากรมานางคอยนะเราเนี่ยเวลามีค่าเวลามีประโยชน์เราเช็ดสลามาให้ต่อไปไม่มามาหุนอยู่หนเวอย่า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 มีโรงเรียนอะไรอ่ะนะนะมัธยมหรือประถมประถมเหรอนั่นเนี่ยสพบแชสพบแชสวดมนต์ไม่เอาอาตมาหมดศรัทธาไปวันนั้นอา จ, จารย์ที่อุทัยมา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 รับรองเด็กไปโลดเลยแล้วดีด้วยอย่างเช่นมงเวียนาวิทย์จะเข้ามาที่อีกครั้งห้าร้อยไม่ต้องบอกครูเลยเรียบร้อยหมดสอบทำาษาได้หมดทั้ ง, 3, งาสามพันกว่าคนทสายเอกทั้งนั้นชาวิทย์พู้จการสุสพรรณบุรีนเราช่วยสุพรรณบุรีเด็กนักเรียนดีหมดเลยร้อนใจถึงในพัะท่านบรรหารที่นภาอาชาวัานเรานีได้ช่วยสุพรรณบุรีเยอะ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 มันเสียเวลาเรียนแค่ห้าหกวันเสียอะไรมากมายเวลาโรงเรียนปิดต้องเยอะแยะทำไมไม่เสียเลยเสียเพื่อได้ประโยชน์ก่นอนักเรียนเขาจะได้รู้ว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นยังไงคุณครูบาอจารย์เป็นยังไงถ้าเขาถึงทำมาแล้วจะน้อมนึกอย่างนี้แต่เขาจะไม่ผันแผลกลายเป็นคนเสียคงเขาจะไกลายเป็นคนดีต่อไปอ่ะช่วยมั่งไม่ได้อยู่ถ้าเด็กเนี่ยเดินจงกลมเขา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 นินทากันนีค่ครูสาวสาวตัวสําคัญนินทาครูกแก่เสื้อเก่ามีแม่คุณแก่มีครูสาวไหมไม่มีมูทนาด้วยนึกว่ามีชอบนินทาครูกแก่เสื้อเก่าถ้านั่งแต่แต่ห้าโค้ชินไปปุบปิ๊ปปุบปิ๊ปไม่มีเรื่องอะไรนินทาพ อ, อ, อะออกสถานที่สอง ชุดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆีๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆัๆยๆ่ๆเๆๆๆๆๆๆๆๆๆเๆืๆๆๆชๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ